ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะได้เวลาพบกับาการสันสนีสัมทนานะคะดิฉันมั่นใจว่าหลายคนจดจ่อรอคอยเลยเพราะเป็นนาทีทองที่เมื่อได้พบกับท่านไม่กี่อึดใจท่านก็จะได้พบกับท่านผู้นาการหลักสูตรรีเรนมะนํนำปฏิบัติธรรมในสถานีวิทยุออกอากาศไปถึงบ้านท่านหรือว่าในรถท่านหรือในที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่ท่านฟังวิทยุอยู่กันเลยทีเดียวนะคะ พระภิกษุรูปนั้นก็คือพระมหาไภบุญอภิปุลโนวัดป่าดอนายโศกจังหวัดอุดรธานีเราไปกราบน้ำสการท่านด้วยกันเลยค่ะน้ักการกันนะคะเชิญปอนในการเริ่มต้นฟังธรรมนั้นเราก็มาระลึกถึงความดีความงามที่เราได้เคยทํามาแต่เช่นถ้าประเปฟังได้เคยฟังธรรมะได้เคยนั่งสมาธิได้เคยรักษาศีลหรือให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งเราบุญกุศลที่เราได้เคยทํามานนเนี่ยมาตั้งไว้อยู่ในใจ จิตของบุคคลที่เป็นแบบนี้ชื่อว่าเป็นจิตที่ดํารงไว้แล้วด้วย ด, ตย ด, วยดีตั้งอยู่ด้วยดีในภายในบุคคลที่มีจิตดํารงอยู่ด้วยดีตั้งอยู่ใด้วยดีในภายในอย่างนี้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้จิตที่ไม่มีบาปไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายจะมีความปีติมีความปราโมทเกิดขึ้นในใจบุคคลที่มีความปราโมทแล้วมีปีติแล้วกายนั้นก็จะมีความสงบประงับ กายของบุคคลที่มีความสงบระ ง, งับอย่างนี้จิตของเขานั้นจะเป็นจิตที่เป็นสมาธิและบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วให้ใช้จิตแบบนี้แหละให้เกิดมีความเมตตาเกิดขึ้นในใจพอเราจิตมีความเมตตาอันเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทให้แผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลัง เบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เมื่อเราตั้งจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแล้วก็ให้มีความกรุณาด้วยความกรุณานั้นก็คือความที่ปรารถนาจะให้สรรพสัตว์ต่างๆเหล่านั้นพ้นไปจากความทุกข์แต่ก็มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เขาก็มีความปรารถนามีความคิดในการที่จะเออทำยังไงให้เขาพ้นจากความทุกข์ได้ ให้เห็นทุกโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างให้เจริญมักบ้างให้ปล่อยวางได้บ้างนะให้มีความปรารถนาอย่างนี้เอาแพรไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางไม่ใช่แค่กรุณาอย่างเดียวยังรวมถึงความมุทิตาด้วยความมุทิตาก็คือถ้าบอบว่าเขาสามารถมีการพ้นจากทุกขได้แล้วมีความประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่การงานก็ตาม เรื่องโภคสมบัติก็ตามเรื่องความรู้ความเรียนหรือในทางสังคมการหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งมีความสําเร็จมีความดีเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นก็ยินดีพอใจปรินดาไปกับบุคคลนั้นอันนี้คือความมูทิตาหรือถ้าบอกว่าเขามีความทุกข์ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เราอย่าให้จิตใจของเรานั้นมันไหลไปในสิ่งที่เป็นอกุศลมีความเสียใจมีความเศร้าโศกอย่าให้เป็นอย่างนั้น อันนี้คือลักษณะจิต ท, ที่เป็นอุเบกขาแต่เราก็แผ่ความเป็นอุเบกขาคือความวางเฉยไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทั่วทุกทิศทางข้างบนข้างล่างด้วยจิต ท, ที่มีสิ่งเยาวน์นี้ก็เรียกว่าพรมิหารสีเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจของคนที่เป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นพรมเป็นความประเสริฐพระพุทธเจ้าเองตัวพระองค์เนี่ยก็อยู่ด้วยพรมิหารสีนี้ตลอดบางทีบางครั้ง เจอสาวกที่ทำไม่ดีบอกยากสอนยากนะท่านก็มีอุเบกขาในใจนะจะบอกจะสอนเขาท่านก็มีความกรุณานในใจใครทำได้บอกได้สอนได้ก็มีมุทิตาใหนะ้เวลาที่อยู่ทั่วๆไปก็จะมีความเมตตาอยู่ในใจของท่านนะท่านเป็นตัวอย่างในการที่เราจะให้ปฏิบัติเรื่องของพรหมิหาร4ีนี้อยู่เป็นประจำนะเราตั้งจิตไว้อยู่ด้วยพรหมิหารสีนะจะทำพรหมิหารสีให้มีกาลังได้จิตเราต้องมีสมาธิ จิตเราจะมีสมาธินั้นะมันเหมือนกับเครื่องส่งในอยังวิทยุที่เราส่งไปเนี่ยจะมีกําลังแรงคลื่นมันไปได้ไกลนั่นก็อยู่ที่ว่ากําลังส่งมันมากหรือน้อยเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาของเราจะมีน้ําหนักมากไปได้ไกลก็ อ, อยู่ที่ว่าสมาธิของเรามีกําลังมากน้อยอย่างไรเราจะทําจิตให้มีสมาธิมากจิตนั้นก็ต้องเป็นอารมณ์มันเดียวจะทําจิตให้เป็นอารมณ์มันเดียวได้ พวกบาปอกุศลแลรทำต่างๆในใจต้องอย่าให้มีแล้วก็ให้มีปีติมีปราโมทอันเป็นผลของการที่เรานึกถึงระลึกถึงบุญกุศลต่างๆที่เราได้ทํามาบุญกุศลต่างๆที่เราได้ทํามานั้นจะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงทานระลึกถึงกุณงามความดีระลึกถึงมารดาบิดาตั้งสติเอาไว้เนี่ยจิตเราจะเป็นอารมณ์มัเดียวได้บุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะนําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ มีสมาธิแล้วเจริญพรหมิหารสีมันก็จะมีผลมากนะให้เราฝึกในการที่จะทําอย่างนี้อยู่เรื่อยใจของเรานั้นจะมีความสบายมีเรื่องใดมากระทบก็เย็นใจสบายใจอยู่ได้นะเวลาเราเจอสิ่งใดๆเนี่ยให้เจริญเมตตก่อนเลยนะให้สติก็เราตั้งไว่อยู่กับลมอยู่กับลมแล้วไนะปเมตตาไปนะไม่ใช่เฉพาะกับคนนี้แต่ไปกับสรรพสัตว์ทุกหมู่เราโดยผ่านบุคคล น, นี้ นะมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์แล้วก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สรรพสัตว์ทั้งหลายทางทิศทางนี้แต่ทั่วทุกทิศทางแล้ฝึกทําอย่างนี้แล้วจิตใจงเราก็จะสูงขึ้นดีขึ้นได้ท่านรุ่นปอนด์ค่ะท่านคะพูดถึงถ้าเราลึกถึงเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความ <ผล S 1> สุขมีควา ม, ม, วามสุ ข, สขใจกรุณาเนี่ยให้เขาพ้นทุกข์พ้นทุกข์กกอ่าให้พ้นจากาทุกข์มุนีตามุนีตาคือก็ยินดีพอใจที่เขาประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง พอยินดี P D, กับอุเบกขาอุเบกขาคือการวางเฉยไม่อันนี้คือป้องกันไม่ให้จิตของเราแบบว่าถ้าเขาไม่ได้อะเราก็จะไปทุกทามเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้จักอุเบกขาค่ ะ, ะท่านคะอย่างในกรณีถ้ามีคนที่เขามีความไม่สบายใจแล้วจะมาปรึกษาหารือกับเราแต่เราก็คุ้นเคยกับความทุกข์ จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเรากคงไปช่วยความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้หรอกอกนะคะเราวางเฉยอย่างนี้ผิดไหมคะอุเบกขาออแต่เราให้ธรรมะเข้าไปแล้วเธอไปฟังเทศฟังธรรมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเด็กอดอยากที่เขาอยู่ในแอฟริกาอย่างเงี้ยโยมติว๋วเราทําไมะจะไม่รู้ว่าเขามีความทุกข์ทำไมเราไม่ไปช่วยเขาอะโอ้โหมันไกลนะมันคนลเรื่องนะมันคนแบคื อ, อ น, นี่คืออุเบกขาไงที่เราต้องวางเอาไว้คือ ค, คือไม่ใช่ว่าโมหะนะไม่ใช่ว่าโมหะแบบเราไม่แคร์เราไม่สนไม่ใช่ แต่เป็นอุเบกขาคือความวางเฉยแต่เพราะนั้นกรณีของบางทีบางคนมีความทุกข์มากมากแล้วเราไม่สามารถช่วยเขาได้เงี้ยจิตตรงนี้คือเราต้องมีอุเบกขานะคือการวางเฉยตรงนี้ค่ะคือสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมด้วยนะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอีกจุดเราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาสิคะถ้าอย่างที่ท่านพูดสมมุติว่าตอนเช้าเรามาฝึกเจริญสติด้วยกันอย่างนี้ก็เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปด้วยเลย สามารถทําได้สามารถนำคือคือบางทีเราอาจจะแค่เจริญสติมีสมาธิแล้วหยุดอยู่แค่นั้นค่ะก็ก็บางคนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะให้มีเมตตาด้วย น, นี้ก็ทําเพิ่มเติมเข้าไปนนี้ดีแนะ่นอนพรหมิหารช่วยทําให้เกิดกุศลมากขึ้นเลคะ่ะโอ้คือเป็นเครื่องอยู่ของพรหมคุณยมติว๋วแต่เป็นพรหมิหารอันนี้ดีามากแน่นอนอยู่แล้วค่ะท่านคะดิฉันจาผิดไหมคะว่าพระพุธองได้ตรัสสอนถึงเรื่อง การเจริญเมตตาเนี่ยสามารถทําให้บรรลุธรรมได้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องอัปปมัญญาสี่นะ <Okay. S 2> อัปปมัญญาสี่มีอยู่ในพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเปรียบเทียบนะว่าคําสอนของพวกพราหมณ์เนี่ยเขาก็บอยให้เจริญเมตตาเหมือนกันมูติตาเขาก็มีอุเบกขากรุณาเขาก็สอนแต่ว่ามันจะ <Okay. S 1> ที่ไปต่อได้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่ตรงจุดหนึ่ง <Okay. S 1> นะตรงจุดหนึ่งก็คือตรงที่ว่าถ้าเราจะเจริญเมตตา อันประกอบด้วยนะมีโพชฌงเจตไปด้วยนะโพชฌงเจตคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมรนะมีเมตตาแล้วก็ประกอบด้วยโพชฌงเจตในโพชฌงเจตก็มีสติมีการใครใีครวญธรรมธรรมวิจัยมีปีตินะมีปัจสถานีคือความสงบระงับมีสมาธิคือความที่จิตเป็นญโ ร, ร ม, มันเดียวแล้วก็มีอุเบกขาโดยอาศัยความวิเวก ความจางคลายและความดับไปเห็นตรงนี้แล้วก็ให้น้องปเพื่อความปล่อยวางตรงนี้จะทําให้พระวิหารสีเที่ยวเจริญเนี่ยมันไม่ได้แค่ไปสุดอยู่ที่พรมแต่ไปถึงนิพพานนั้นได้เลย ม, มันจะมีทางไปต่อตรงนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้านะค่ะท่านคะและอัปปมัญญาสีเนี่ยคือส่วนไหนที่ท่านได้กล่าวมาคะคือทั้งพวงนี้เลยไง อ๋อนับหนึ่งยังไงกันค่ะที่ฉันขอประทานโทษครับออก็นับจากมีคําว่าสี่ก็เลยงงเมตานี่คือหนึ่งอ๋อค่ะเมตากรุณานี่คือสองอ๋อจถึงอุเบการนี่คือสี่แต่ว่าแต่ละสายที่ไปเมตตาหนึ่งเนี่ยหนึ่งที่ไปเมตตาใช่ไหมตรงท้ายของเมตตาตรงนั้นเนี่ยแค่ไปทุกที่ทุกทางแล้วใช่ไหมก็ประกอบไปด้วยโพชฌงเจ็ดตรงนี้ไปต่อได้ไงในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าคือถ้าเป็นของพราหมณญเดิน ในลัตที่คําสอนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะจบอยู่ที่ตรงนั้นคือมันจะมีเบื้องต้นน ะ, ะคุณทำจิตเป็นสมาธิท่ามกลางนะคุณทาจิตให้มีเมตตานะกรุณานะมเมตตาเบกขาด้วยนะแต่ที่สุดจบแล้วมันจบตรงไหนอ่ะคือมันจะมีงดงานในเบื้องต้นท่ามกลางเฉยๆจะไม่มีที่ลงแต่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมีที่ลงให้นะก็คือว่าให้เห็นถึงความที่มันไม่เที่ยงนะมีความดับไปนะแล้วก็ปล่อยวาง เห็นความที่มันจางคลายได้อันจะใส่ความวิเวกใช่ไหมอันจะใส่ความมิราคะคือความจางคลายและความดับตรงเนี้ยตรงนี้คือจะเป็นที่ลงจตงดงามในเบื้องปลายคือคุณก็วางพวกนี้ทั้งหมดจ้าค่ะถ้าดิฉันจะทําความเข้าใจแบบดิฉันนะคะในเรื่องอปมัญญาสี่จริงๆแล้วประกอบด้วยสี่อย่างที่ท่านว่าและสี่อย่างนี้มาจําแนกออกเป็นสามส่วน คือส่วนแรกคืออปมัญญาสี่มีเจริญเมตตากรุณามุ้ทตาอุเบกขาและหนึ่งก็คือมีพรหมวิหารสี่เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองคือบวกด้วยโพชฌงค์อันที่สามคื อ, อในส่วนวของไม่เที่ยงดับไปปล่อยวางบทเพยงชนะพระพุทธเจ้าก็คือว่าอันาศัยความวิเวกอันอาศัยวิราคาะอันอาศัยนิโรธสามอย่างนี้แล้ว ทำสอย่างนี้มากๆๆๆมาๆคุณจะโวสักคะคือแบบสลัดคืนได้ค่ะวสักคะนี่คือวางแล้ววางเลยไม่ไม่ไปเอาอีกวกสักคะวสักคะใช่สระโอวเวนคอควายนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ส่อเสือไม่ให้อากาศคอควายคอควายคอควายสระอ่ะวกสักคะแปลว่าสลัดคืนสลัดคืนสลัดคืนแต่กลับหมายความว่าสลัดแล้วสลัดเลยไม่คืนมาอีก วางแล้ววางเลยไม่เอาไปไม่เอาอีกเนี่ยวางแล้ววางเลยเอในกลุ่มของวิเวกวิราคะนิโรธแล้วก็น้อมไปเพื่อโวกสักโวกสักทะเนี่ยมีชื่อเรียกเฉพาะไหมคะอ๋ออย่า ง, งไม่มตรจจะมาไม่เห็นนะใช่ใช ไ, ไม่ได้มีชื่อเฉพาะเรียกก็ตรงนี้เราอาจะพูดถึงว่าความเป็นไตรลักษณ์ก็ได้ไหมถ้าไ<ม>ตรลักษณ์ก็หน้าตาห น, น้ า, นาตาอ่า มันก็จะเห็นความไม่เที่ยงอยู่นะเพราะมันดับไปยงง น, น, นะมีนิโรธอย่างเงี้ยค่ ะ, ะนั้นก็เท่ากับว่าเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากหมายถึงพรหมวิหารสี่เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาแล้วสามารถจะพาเราไปเกินพรหมคือหลุดจากระบบของการเกิดได้เลยใช่ไปสู่วิมุตได้แต่ต้องเจริญให้ถูกคือเป็นอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยโพชฌงเจ็ดและ วิเวกวิราคันิโรจน้อมไปผู้โวคสักคะต้องอาศัยพวกนี้นะคะทีนี้เมื่อวานดิฉันได้บอกท่านผู้ฟังบว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าวิธีที่จะรับมือกับการที่สับสนกับเรื่องความผิดความถูกของใครที่เขาว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดเนี่ยให้ทําอย่างไรและท่านก็ได้ให้ข้อธรรมมาซึ่งบอกว่าใช้ได้กับทุกเรื่องคืออักุศลและอักุศลอะไรเนี่ยนะคะรออกรอบได้ไหมคะ อันนี้หมวดธรรมะนี้ก็เรียกว่าธรรมะสมาธิค่ <Okay. S 1> นะธรรมะสมาธิเป็นหมวดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าอธิบายกับหัวหน้าหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งนะก็คือจะมีหมวดธรรมอยู่2 ส, ส่วนส่วนแรกนะก็เรียกว่ากุศลกรรมบท10อย่างส่วนแรกคือกุศลกรรมบด10อย่างส่วนที่2คือปรมิหารสปรมิหาร4กุศลกรรมบด10อย่างก็คือเราจะทํากุศลกรรมบทให้เกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลออกไป แล้วสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปก็คือกายวาจาใจนั่นเองทางกายมีสอย่างา ก, ก, าก็คือค้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็คือศีล5เรานี่แหละแล้วก็ทางวาจามี4อย่างก็คือพูดโกหกพูดจ้อเสี้ยพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบแล้วก็คือศีล5เรานี่แหล ะ, ะมีเรื่องวาจาเข้าไปด้วยแล้วส่วนเรื่องของทางใจก็ให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีความไม่พยาบาทให้มีความที่จะ ไม่เพ่งเลงเอาทรัพย์ของคุหนึ่งเขามา น, น, นี้คือตังใจสามอย่างรวมกันก็สิบขอ้อพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็มีสีนั่นเองมีสีให้ดีใจเราอย่างน้อยมีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละเราก็จะมีสมาธิถี่รักล้ก็พอเป็นอย่างนี้เราก็เจริญปรมิหารสี่นี่คือส่วนที่สองค่ะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสถา น, ก, ถานการณ์แน่นอนตรงนี้ค่ะมีคาถามค่ะ เป็นคำถามที่เป็นคําถามจากลูกนะคะอรู้สึกคุณชนที่พาเนี่ยถามแทนลูกถามว่าทําไมความขี้เกียจจึงเป็นบาปวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนตามหน้าที่แล้วแต่เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ทําไมเรายังต้องตื่นเช้าโอเคเอาเอาข้อแรกนี้ก่อนนะอะบาปคืออะไรนะียบาปนี่คือความทุกข์บาปคือความทุกข์บุญคือความสุขมันจะตรงข้ามกันนะ ทำไมความขี้เกียจจึงเป็นบาปเพราะว่าความขี้เกียจเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ดา ม, มาจะทํายังไงทำไมมันถึงเป็นความทุกข์เพราะว่าพอขี้เกียจแล้วก็จะทําให้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องขี้เกียจแล้วก็จะทําให้จนขี้เกียจแล้วก็จะไม่มีเพื่อนไม่ดีนันี่มันจะนํามาซึ่งความทุกข์ความชั่วความบาปหลายหลาอย่างความขี้เกียจนี้ก็จึงเป็นจัดอยู่ในหมวดของความบาปประเด็นที่คําถามจากคุณลูกนี้เขาถามก็คือว่าก็ จันถึงสุข ก, ก, ก็ก็ทำดีแล้วไงขออยันแล้วไงเสาร์อาทิตย์ก็ข อ, ขอขี้เกียจบ้างได้ไหมอย่างเงี้ยนะจริงๆเราต้องแยกกันเพราะว่าบางทีเด็กๆ เ, เนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่อ ง, งของคําที่จะใช้ให้ถูกต้องเราจึต้องแยกแยะระหว่างการพักผ่อนกับความขี้เกียจไม่เหมือนกันคนเราทํางานหนักต้องพักผ่อนในนิธรรมดาถูกไหมคุณยมติ๋วไปทํางานมาทั้งวันพูดบางทีคอเจ็บก็ต้องหยุดใช้เสียงบ้างแต่ไม่ใช่ขี้เกียจนะ ขี้เกียจกับการพักผ่อนไม่เหมือนกันพักผ่อนก็พักผ่อนขี้เกียจก็อย่าทําในขี้เกียจไม่ควรทําให้มีเลยแต่พักผ่อนเนี่ยก็ทําได้มีได้ไหนพักผ่อนเท่าไหรถึงจะพอก็พักผ่อนเมื่ อ, เ, อเรารู้สึกสบายดีเราก็ก็ทําต่อได้แต่ขี้เกียจเนี่ยบางทีมันมีข้ออ้างโอ๊ยขอต่ออีกนอนอีกแต่ว่าจริงๆนอนพอแล้วแต่เพราะว่าความขี้เกียจทําให้มีข้ออ้างต่างๆขึ้นมาทําให้การงานไม่สําเร็จ อันนี้ต้องแยกประเด็นในข้อที่หนึ่งนี้ค่ะก็เท่ากับว่าเพราะว่ามันเป็นความขี้เกียจถูกไหมคะจะต้องตื่นเช้าอ่าคือหมายความว่านอนตื่นสายเนี่ยเพราะว่าความขี้เกียจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องตื่นเช้าเพื่อไม่ให้ความขี้เกียจเนี่ยมันเกิดขึ้นค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าเราจะนอนไปเกินไปจากเวลาปากติเพราะว่าต้องการพักผ่อนแล้วคุณไม่นี่มีความขี้เกียจนะโอ้ ย, อยงี้ทําเลยก็ทําเตอะไม่มีปัญหา แต่ต้องรู้จักแยกแยะ ก, ก่อนหรือเปล่ามีปัญญาเห็นตรงนี้ไหมถ้ามีปัญญาฉลาดเห็นแล้วทําได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาฉลาดงั้นกูจะต้องถูกจี้ถูกชัยถูกบอกถูกสอนเพื่อให้ <c oughs> รู้ให้เห็นซะก่อนค่ะด<ล>ังั้นเข้าใจว่าอย่างกรณีคุณแม่เนี่ยก็อาจจะต้องการที่จะให้ติดเป็นนิสัยอืก็คือมีวันเสาร์อาทิตย์แบบหนึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์แบบหนึ่งอาจจะยังไม่พัฒนาไปจนเป็นนิสัย ตรงนี้พระปุรชาเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมเด็กนี่ยังเล็กอยู่เนี่ยก็ไปเอาชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้อเนี่ยแอบกลืนเข้าไปในพี่เลี้ยงเห็นปุ๊บเนี่ประคองจับเด็กมามือซ้ายเอามือขวาล่วงลงไปดึงไอ้ชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้อนี้ออกมาต่อให้เลือดออกก็ต้องทําเพราะอะไรเพราะพี่เลี้ยงเขาหวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กจึงต้องทําเช่นนั้นเพราะว่าความความปรารถนาดีแต่ถ้าผมว่าเด็กคนนี้เขาเติบโตพอใช่ไหมพอที่จะรู้เรี้ยงสาแล้วว่าโอ้ยไม่ ไม่ไม่เอาชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้องกืนเข้าไปแล้วไม่เอานิ้วไปหยาในปลั๊กแล้วไม่เอามือไปแตะเต้ารีดแล้วอย่างนี้ก็ปล่อยตามสบายได้ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้พระบูดาจัาเปรียบไว้ว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กที่จะคอยขนาบว่าให้ hey, คุณต้องมีฮเฮลิโอตปานะต้องรู้อะไรดีอะไรชั่วนะถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วสับสนกันเนี่ยตัวนี้เขาต้อต้องคอยจําจี่จำใจตัวนี้เป็นหน้าที่ของของมาดาบิดาเนี่ย ที่จะต้องให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปคอันนี้เป็นหน้าที่ของมาลาบิดานะคือเป็นหน้าที่ของพระด้วยที่จะให้คารวาสคี่หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้รู้จักตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปรู้จักแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วถ้าโตแล้วพอแล้วก็ไม่ต้องจําชี้จำใจมากในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะอันนี้โดนหลายคนนะคะเนี่ยทำไมการพูดเล่นพูดเพอ้อเจอเพื่อความสนุกสนานจึงเป็นบาปอืม ในเมื่อเราไม่ได้คิดร้ายต่อใครไม่มีใครเป็นทุกข์นี่แต่ความสนุกสนานอ๋อเพราะว่าผลของการพูดเพ้อเจาะผลของการพูดเพ้อเจาะตอนพูดเนี่ยมันสนุกอยู่จริงก็เหมือนกับเรากินข้าวก็กินหยุ่มก็อร่อยจริงแต่คุณลองกินเยอะๆดูสิตอนถ่ายออกมานี่มันจะแบบอทรมานมากนะอันนี้คือจะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างเราพูดเพ้อเจาะพูดมากๆพูดบ่อยๆพูดทําเล่นๆอันนี้สงผลที่จะเกิดขึ้นของการพูดเพ้อเจาะบ่อยๆ เอาเอาเอ า, เอาความหมายเฉพาะเจาะจงของการพูดเพอร์เชอร์ก่อนนะคือการพูดลักษณะที่ว่าไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่มีที่จบพูดไปเลื่อยเปื่อยแบบน้ําไหลไฟดับไม่รู้จักจบจากลงตรงไห น, นแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงนะไม่เป็นประโยชน์พูดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์นคุณอาจจะมองว่าความสนุบเป็นประโยชน์ เ, เดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดตรงนี้กั น, นและแล้วก็ไม่มีไม่เป็นทําให้เป็นวินัย เวลาเราพูดเรื่องพวกนี้ไปมากๆากมากมมากมาเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นก็คือวาจาที่เราพูดไปจะไม่มีใครเชื่ออันนี้จะเป็นอันที่สองผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการพูดเพ้อเจ้อนะทีนี้สีที่เราจะต้องแยกแยะให้เห็นชัดเจนก็คือว่ามุกตลกมุกตลกที่พูดแล้วให้เกิดแบบความสบายใจพูดแล้วให้ไม่เกิดความเย็ยนใจเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นความเพ้อเจ้อมันไม่ได้จะเป็ น, ต, ป น, น, ปนต้องเป็นเรื่องที่แบบไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ใช่อย่างนั้น จะมาอีาสมมุติบางทีอาจมาพูดถึงความเปินของตัวเอ ง, องนี้มามาอีสานมาเอาดรปีแรกไม่รู้เขาพูดภาษาอะไรยังไงก็เลามันจะฝึกพูดลาวใช่ไหมพูดไปก็พูดผิดผิ ด, ผ ด, ผดถูกๆกเงี้ยมีวันหนึ่งก็ไป น, นิมนต์ผิดวันไปผิดที่พระไม่ได้กินข้าวเอาก็เป็นมุกตลกขึ้นมาแต่ไม่ได้พูดเพอร์เชอร์นะนี่พูดความจริงแล้วก็มีหลักฐานที่อ้างอิงด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการพูดเพอร์เชอร์แต่ว่าเป็นเรื่องที่ให้เกิดความ สนุกสนานให้เกิดความสบายใจได้ค่ะเพราะเราจึงต้องแยกแยะประเด็นสนุกสนานกับเพอร์เจอร์ไม่เหมือนกันค่ะคือพูดเพอร์เจอร์ใงคำพูดก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะไม่มีประโยชน์ด้วยไม่มีเหตุผลด้วยไม่รู้คุยไปทาไมเสียเวลาเปล่ากันนะคะใช่แต่ว่าในการจะยกตัวอย่างนี้อย่างได้ไหมคะคือสมมติพูดที่บรรยายเก่งๆนะคะบางทีท่านอาจจะพูดเรื่องสาระ แต่ในสาระท่านเนี่ยท่านสามารถพูดให้ขำได้เออแล้วได้สาระในความขำนั่นด้วยใช่ใช่ใช่องนี้นะคะลักษณะของคําพูดที่มันขำเนี่ยค่ะถ้าเราจะโมดูในหมวดของสัมมาวาจาสอย่างนี้ใช่ไหมค่ะที่ไม่พูดเผชิไม่พูดคําหยาบไม่พูดเสียดไม่พูดยุยงให้แตกกันเนี่ยนะค่ะน่าจะมาจัดอยู่ในหมวดของการไม่พูดคำหยาบคือคําพูดชนิดที่ฟังแล้วฟูใจอันนี้เป็นพุทธพจน์นะเป็นคําพูดที่ ฟังแล้วฟูใจเป็นคําพูดที่เป็นคําพูดที่ชาวเมืองเขาพูดกันฟังแล้วรู้สึกใจมันสบายใจมันรีแล็กซ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ไม่ได้โกหกนะแล้วก็เป็นคําพูดลักษณะที่แบบเออให้เกิดความขามได้อย่างเงี้ยใจเรามันก็สบายขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะคําพูดที่ไม่หยาบค่ะอแล้วก็การพูดเพื่อความสนุกสนานถ้าเป็นแบบที่เข้าขายเพื่อเจอริญเป็นบาปถูกไหมคต้องเปตามเหตุผลที่ท่านบอกแน่นอน จะนำความทุกมาบาปคือความทุกน ะ, ะจะทำให้เวลาเราพูดจริงๆแล้วคนอื่นเขาจะไม่ฟังเราเราจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแก่ค่ะอันนี้สมัยก่อนเรานิทานออสารพัดนนิทานอิศกใช่ไหมเร <ก S 1> ื่นเด็กเลี้ยงแก่ค่ะข้อสามกันนะฮะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาก็เดินได้เจ็ดเก้าหรือเดินทางจากเขาลูกหนึ่งไปเขาอีกลูกหนึ่งช่วงเวลาแป๊บเดียวจะเป็นไปได้อย่างไรคะ เออก็เป็นอันนี้เป็นเป็นฤทธเป็นความพิเศษของพระพุทธเจ้าค่ะ <Okay. S 1> เอ่อบางทีเราก็ยังไม่เชื่อตรงนี้เราก็เอาไว้ก่อนก็นได้ค่ะแ <Okay. S 1> ย่ไว้ก่อนอย่างสมมติถ้าสมัยก่อนเราจำบอบอกว่าคุณสามารถที่จะอยู่อุดรแล้วคุณโยมติ๋วนั่งอยู่ที่กรุงเทพยอย่างเงี้ยแล้วเราจะคุยกันได้แบบที่เราทําอยู่ตอนนี้เนะี่ยโอ้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยถ้าสมมุติสัก50สิปีที่แล้วเป็นไปไม่ได้นะค่ะ <Okay. S 1> เออแต่ทุกวันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลย ท่านคะพูดถึงในพุทธประวัติจากพระโอสถ huh. ซึ่งท่านพุทธทาสได้รวบรวมไว้นะคะเดี๋ยวฉันก็รู้สึกว่าจะไม่มีนะคะเรื่องเดินเจ็ดเก้ามีมีอันนี้เป็นอสศภิวาจามีอยู่หลังจากโพธิสัตว์เนี่ยออกจากคันในมารดาใช่ไหมก็ยืนคลอดใช่ไมแล้วโพธิสัตว์เนี่ยก็จะมีฉัตรสีขาวตั้งอยู่เบื้องบนแล้วก็<ช>เดินไปเจ็ดเก้าพร้อมกล่าวกล่าวอสภิวาจา อ๋อเหรอคะใช่มีถ้ามีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะเป็นเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องพิเศษของพระพุทธเจ้าลองคิดูท่านอยู่ในคันสิบเดือนถ้าเราดูจากหลักทางวิทยาศาสตร์นะท่านอยู่ในคันสิบเดือนความปกติคนอยู่ก็เก้าเดือนค่ะแคนทั่วไปก็อยู่เก้าเดือนแต่ว่าท่านอยู่สิบเดือนเพราะฉะนั้นความแข็งแรงอะไรต่างๆอยู่ในคันมันก็จะมีมากเหมือนกันนะคถ้าเราจะเปรียบเทียบดิฉันเคยไปประเทศศรีลังกาอฮตอนนั้น เป็นเลขารทวนตรีกระทรวงสาธกรรมท่านชัยวัฒน์สินสุวงนะคะแล้วท่านเนี่ยก็ชอบธรรมะไปสนทนาธรรมกับพระในทุกประเทศที่มีประสงค์ในพระพุทธศาสนาหนังข่าวที่ติดตามไปเนี่ยก็ไปร่วมสนทนาธรรมด้วยก็กราบมณฑสกานถามพระที่เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะถามเรื่องนี้เลยค่ะว่า จะเป็นไปได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาแล้วเดินเจ็ดเก้าท่านต่อว่าไงท่านก็พยายามอธิบายใหญ่เลยนะคะสารพัดจะอธิบายมไม่สามารถทำให้นักข่าวคนนี้ลงใจเชื่อได้ท่านก็ตอบบอกวาอ่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะคะท่านคงตอบว่าโยมไม่เชื่อก็ไม่ใช่แหละประมาณอย่างนี้ค่ะคือเหมือนกับไม่สามารถนะคะคื อ, อเด็กเขาอาจจะไม่ไม่มีความเชื่อ ในความพิเศษอืมแต่ที่ฉันเองไเชื่อนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรตรงนี้อะไรที่โอ้โหสุดยอดปัญญามนุษย์ธรไม่จะทําได้แล้วทำไมในการเกิดของพระพุทธองค์จะพิเศษไม่ได้อืตรงนี้ถ้าเผิดว่าจุดไหนที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ยังไม่ลงใจเชื่อเราก็โยไงไว้ก่อนค่ะอันนี้คือหลักหลักในการที่จะฝึกทําฝึกปฏิบัติในทางคําสอนเนี่นะก็ะตรงไหนที่เรายังทําไม่ได้ยังไม่เชื่อเราก็โยไงไว้ก่อนเอาที่เรา ทำได้เชื่อใจตรงนี้เราก็ทำตรงนั้นไปค่ะนะคะแต่ท่านจะตอบลูกชายของคุณชมที่พาเช่นนี้ใ<จ>ส่วนข้อที่สี่ครับท่านคะทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วจริงหรื อ, อเช่นเพื่อนที่ลอกข้อสอบเขาก็สอบผ่านไม่ต้องเสียเวลามาสอบซ่อมอซึ่งวิชาหลายวิชาเรียนไปเพื่อสอบให้ผ่านเท่านั้นไม่สามารถนามาใช้ในชีวิตจริงได้การที่เราไม่โกงสอบแลวสอบตก จะเป็นการทําดีได้ดีอย่างไรอ๋อนี่ก็ต้องมาดูที่คําจํากัดความของคำว่าดีหรือชั่วก่อนคําว่าทําดีได้ดีเนี่ยคือความดีนั้นเป็นความดีในตัวเองแน่นอนสมมติเราทําความดีอย่างใดหนึ่งความดีนั้นเกิดขึ้นที่เราแน่นอนอันนี้ได้ดีแน่นอนแต่การทําความดีนั้นอาจจะได้ผลแบบไม่น่าพอใจก็ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนอย่างเวลาเรากินยาเนี่ยมันขมกินยาเนี่ยนะ เส้นปรียบเทียบไว้กับยาดองน้ํามูดเน่านั่นคือลูกสมอที่มันทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดทั้งแข็งแล้วไปดองในน้ําปัสสาวะเนี่ยที่มันจะมีลักษณะความเป็นแอนติบอดติกเนี่ยมันจะทําให้พอกินเข้าไปเนี่ยโอ้ะมันทั้งขมทั้งกลิ่นไม่ดีแต่พอกินเข้าไปแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราสบายนั่นก็คือเปรียบเหมือนกับว่าเรากินยาเนี่ยยาบางทีมันขมแต่ว่ามันดีนะดีกับร่างกายเช่นเดียวกันการทําความดีบางอย่างอาจจะได้ผลเป็นความ ไม่ไม่น่าพอใจครั้งแรกเช่นเราไม่ลอะข้อสอบเลยมีความซื่อสัตย์แต่ว่าฉันสอบตกอ่ะเออแต่ว่าความดีมันเจิเกิดขึ้นต่อต่อไปคุณอาจจะยังไม่เห็นตอนนี้เช่นพอเราตกแล้วเราความรู้เราแน่นขึ้นนะไอคนที่สอบผ่านไป <c oughs> มันสอบผ่านเฉยแต่ความรู้มันหัวกลวงนะ <c oughs> มันก็จะแบบเป็นอย่างงี้เกิดขึ้นหรือมีเรื่องยาราวเยอะแยะคุณโยมติวที่เขาไม่ลอะข้อสอบแต่ไอคนที่ลอะข้อสอบถูกจับได้ภายหลังนะถูก ปรับให้ตกหรือเข้าทำงานไม่ได้เพราะว่ามีประวัติแบบนี้ก็มีหลายเคสแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นตัวอย่างตัวอย่างเนี้ยให้มั่นใจเลยนะนี้เป็นความเชื่อเป็นทิฐิที่ควรจะต้องมีนะว่าทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วัยนี่นต้องมีเพราะว่าดีมันเกิดขึ้นแน่แต่ผลอาจจะยังไม่เป็นที่พอใจเราในขณะนั้นค่ะ อ, อะไรจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่านารกสวรรค์มีจริงชาติหน้ามีจริงค่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่คือน้องคนนี้เขาอาจมีความคิดที่ก้าวหน้ากันนะนเพราะว่าในคําถามเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยก็มีคนที่เป็นหัวกะทิของอพระเจ้าปรสิเดนติโกโสนเป็นมหาอหมาที่อาจจมาจำชื่อไม่ได้ละที่ก็เป็นหัวกะทิของพระเจ้าเปรสิเนิโกโสนเนี่ยเขาก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเออคุณทำดีนะคุณไปสวรรค์คุณทำไม่ดีนะคุณไปตกนรกนะก็คนเนี้ยเจะมีพระพุทธเจ้าตัดอันนี้ส่งไว้ห้าอย่างนะสมมุตินนะแต่ไม่ส่งไว้ห้าอย่างสอง ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือจะไปสวรรค์หรือไปนรกนะสําหรับคนที่ทําดีก็ไปสวรรค์คนที่ทําไม่ดีก็ไปนรกเขาก็บอกว่าหนึ่งสอสามสี่เนี่ยเขาเห็นอยู่แต่ข้อที่5้าเนี่ยเขายังไม่เชื่อนะเพราะว่าเขาเขายังไม่เห็น <Okay. S 1> อ๋อค่ะเขายังไม่เห็นหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอสามสี่เช่นอะไรสมมุติว่าเรารักษาศีลรักษาศีนหนึ่งผลของการรักษาศีลก็คือจะเข้าสู่บริษัทไหนจะมีความไม่ขรึมครามอันนี้เป็นตัวอย่างนะเข้าสู่บริษัทไหนจะมีความไม่ครัึมครามอันนี้มหาอมาตคนนี้ก็บอกเขาเห็นอันนี้สองนี้อยู่ แต่พอเข้าสุดท้ายบอกว่ า, าไปสวรรค์นนะอันนี้เขายังไม่เห็นเขาก็ยังไม่เชื่อก็ไหนที่คุณยังพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ยกไว้ก่อนยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าอันไหนที่เราพิสูจน์ได้เราก็ก็ทํา อ, นะอันนั้นไปโอเคนะค่ะทีนี้เรื่องนรกสวรรค์นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามันจะไม่ได้ว่าหมายถึงนรกที่เป็นขุมมีไฟมีโยมบาลมีคนลงโทษอะไรไม่ใช่แค่นั้นหรือสวรรค์จะไม่ใช่ใหมายความว่า คุณลอยไปลอยมาอยู่บนสวรรค์มีเมฆมีอะไรไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังรวมถึงความสุขความทุกข์ที่อยู่ในใจของเราด้วยนี่คือความหมายที่เป็นเบื้องลึกเข้าไปอีกนะสวรรค์คือจะแบบทําแล้วเรามีความสบายใจมีความสุขใจนี่คือสวรรค์นรกนี่คือที่ที่เราเวลาเราทําแล้วเรามีความทุกข์ใจเช่นบางทีเราฆ่าสัตว์หรือว่าโกหกแม่อย่างเงี้ยเราจะมีความแบบลึกๆมันจะมีความไม่สบายใจนี่คือเหมือนตกนรกละแต่ถ้าเราช่วยเหลือสัตว์ หรือเร า, าเอาอาหารไปให้คนที่เขายากไร้ด้านนี้เราก็จะมีความสบายใจข้างใน น, นนี้คือเหมือนขึ้นสวรรค์ละออันนี้คือสวรรค์ น, นรกเนี่ยมันมีจริงอยู่ตรงในใจของเราด้วยด้วยเหมือนกันค่ะเขามีคํากล่าวเป็นคําพังเพยค่ะอสวรรค์นในอกนรกในใจอ่าใช่ใชอันคงเคยได้ยินนะคะใช่ใชอันนี้ก็เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเราฟังดูเหมือนกับว่าเป็นสำนวนตีคารมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อ มาฟังถ้าอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือถ้าเราทำในสิ่งที่ทำให้จิตใจสบายใช่ไหมคะมมก็จะเหมือนกับมีสวรรค์เกิดขึ้นในขนาดนั้ น, นสวรรค์มีหลายหลายระดับขั้นใชหมคะอ๋อใช่แน่นอนเราดูแค่ว่าในในโลกมนุษย์ของเราสวรรค์นี่คือที่ที่จะมีความสุขนะ ใ, ในมนุษย์โลกเนี่ยก็จะมีคนที่ มีความสุขมากบ้างมีคนที่มีความสุขน้อยบ้า ง, าางก็จะแบ่งแยกกันไปนะเขาก็จะในระดับนี้ก็จะแบ่งเป็นคนชั้นกลางคนชั้นสูงคนชั้นอสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะในโลกก็จะเป็นแบบนี้ในสวรรค์จริงๆที่เป็นเมฆเป็นเทวดาลายไปลอยมาเนี่ยเขาแบ่งยิ่งละเอียดกว่าของเราอีกค่ะออและดิฉันจะถามท่านตรงเนี้ยนะคะว่าแม้กระทั่งสวรรค์ในใจอืก็มีหลายระดับด้วยอ๋อถูกต้องถูกต้องใช่จะไม่ใช่อย่างกับผู้ฝึกปฏิบัติเนี่ย เดีไม่ทราบว่ตรงนั้นจะเรียกสวรรค์ไหมคะที่แบบว่าบางคนรู้ว่าโอ้โหเวลา ม, มันมีปิติเนี่ยเคยเข้าใจไหมปิติมันเป็นยังไงมีสุกมันเป็นยังไงอะไรเนี่ยคะ่ะนั่นคือสวรรค์ณักขณะนั้นเลยละ่ะท่านคะแล้วพอไปถึงตรงอุเบกขาเนี่ยเป็นสวรรค์ไหมคะเป็นสวรรค์สิเป็นความวางเฉยความสบายใจนะคือคือถ้าเราจะพูดตรงกันข้ามคือนรกใช่ไหมนรกคือความทุกข์นะคือตรงที่มีอุเบกขาเนี่ยมันยังมีความสุขที่เกิดจากอุเบกานั้นอยู่แน่นอน นะคะอันนี้พูดเผื่อสําหรับคนที่ปฏิบัติด้วยก็ยจะได้ให้คําจํากัดความในปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองได้ถูกต้องนะคะค่ะงั้นวันนี้ก็เป็นอันวา่าเราได้ตอบคาถามให้กับคุณลูกของคุณชมทิพพาเรียบร้อยแล้วไปด้วยนะคะใซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านฟังท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันวันนี้กลับน้มักการขอบพระคุณท่านไพบูรณ์นะคะก็คงจะต้องเตรียมตัวที่จะเดินทางไป อินเดียกันในวันพรุ่งนี้ค่ะดิฉันไปด้วยค่ะ<ด>จ ะ, ะรวบรวมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ท่านฟังฟังนะคะกราบธรรมส ก, การขอบพระคุณท่านค่ะเดีท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัมมนีส น, นานะคะตอนนี้ทางวัดป่าดอนไยโซ ค, ค่ะนำโดยหลวงพอ่อดรสอาธทิตโตภาโสท่านก็จะพาลูกศิษย์เนี่ย น, นะคะไปปฏิบัติธรรมที่แดนพุทธภูมิ ไว้กลับมาแล้วจะมาเล่าให้กันฟังค่ะวันนี้ลากันไปเปลี่ยนเท่านี้ก่อนนะคะพุทธวสวสดีค่ะ